ดูความพิสุจทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกขสมุทัยเหยดให้เกิดทุก โ, โหรูพรุนนะปรูของตัณหาที่มันจะชอนจะชัยมุยใจผู้เรามันรูนพรุงไปหมดเลยนะตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัณหามากกว่าน้ำในมาหาสมุทนานทีตัณหาสมานาที น้ำเสมอด้วยตัณหาในใจของสัตว์ไม่มีมันแทรกเข้ามาพุ่นเป็นหมดเลยรูพรุ่นไปนหมดเลยมันซึมมันซับเข้ามาในหัวใจของคนเราซึมมาทางตาทางหงูทางจมูกทางยิ้นทางกายทางใจซึมมาที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รถที่โพิตภที่ธรรมารมซึมมาที่เกิดความรู้สึกทางตาที่เรียกว่าจักขุซึมมา ที่เกิดขึ้นจากการรับสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมมาที่เวทนาที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมมาที่สัญญาจําได้หมายรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ซึมมาที่สัญจตนาสัญจตนาความนึกคิดสัญจตนาความนึกคิดทางตาทางหูงทางจมูกทางหนทางกายทางใจซึมมาที่ตัณหานทับตัณหาก็าไปตัณหาแหละมันซึมมาตัณหาความอยาก อ, อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปธรุมาในธรรมร์ ตัญหาแทรกเข้ามาได้ทั้งนั้นมันซึมเข้ามาทางตัญหามซึมเข้ามาทางวิตกความตึกวิจารความตรองอตัญหาทิตะโกโลโเกสัตวรปูปังปิจารรูปังสัตวรูปัง ตัณหาวิตาโกโลกเกปยะรูปังสาตรูรปังตัณหาวิจารโกลเกปิยะรูปังสาตัโรปังรวมไปแล้ว60สรูพรุงไปหมดเลยขยับไปตรงไหนที่มันจะแสดงออกมาไม่ได้ครับดูสิเพราะฉะนั้ น, นท่านจะมีพระพุทธภา ษ, ษิตว่าตัณหามากกว่าน้ําในมหาสมุทรมันจะขยับขยื่อนกระดุกกระดิกพลิกแปลงไปตรงไหนมันเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้น ปัญหาคือสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยที่เกิดปัญหาท่า <c oughs> นจัดเป็นหมวดหมวดได้10หมวดนะ10หมวดนี้คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหกวิญญาณ6ผัสสะหเวทนา6 สัญญาหกสัญเจตนาหกตัณหาหกวิตตกหกวิจารหกรวมไปแล้วสิบหมวดหมวดละหกเป็นเท่าไหร่เป็นหกสิบสิบหกหกสิบกิริยาของจิตกระดกกระดิกปริกแพลงไปช่องไหนมีแต่เรื่องของตัณหาทั้งนั้นเรื่องโรคโรคเป็นที่รักเป็นที่ยินดี น, นซึ่งเสียงเสียงเป็นที่รักเป็นที่ยินดี ถ้าใจมีตัณหาอยู่แล้วเนี่ยกระดกริกไปเกี่ยวกับเรื่องอะไร น, นั่นแหละคือการแสดงตัวของมันเราไม่ทันมันหรอกเราไม่ทันมันตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ดีดีนึกถึงรูปเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วอยู่ดีดีนึกถึงเสียงเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วอยู่ดีดีนึกถึงเวทนา ทุกเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีๆนึกถึงสัญญาสัญญตนานทุกเกิดขึ้นแล้วความทุกเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่จิตเพราะอะไรเพราะในจิต ด, ดวงนั้นมีตัณหาแสดงกิริยาไปตรงไหนมันมีแต่รูเขอามั น, นพรุนซึมทะลักมาทับทั่วหมหัวใจของเราตัณหาคือความริ่นรนความเที่ยวทะยานของใจทําไมจะชะลออยู่ ฉลอได้ตัณหามันเกิดที่ใจตัณหามันเกิดที่ตามันก็ดับที่ตามันเกิดที่รูปมันก็ดับที่รูปอ๋อมันเกิดที่นี่มันดับที่นี่ที่นี่ที่ไหนก็ใจนั่นแหละมันทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันมันไม่ใช่ค่อยเกิดทีละอันทีละนันปึ๊บเดียวมันทันกันหมดหกสิบอย่างเกิดพร้อมกันหมดเพราะมันเกิดที่ใจ ใจฮึบเดียววัตใจมีตัณหาท่านั้นสแสดงกิริยาบทไหนบาทไหนมันเป็นกิริยาอาการของมันทั้งหมดจะหลบไปตรงไหนเอาอะไรมามาตัดถอนมันได้ท่านจึงให้เจริญสติเจริญสติให้รอบจนเป็นมหาสติเจริญสติให้รอบจนเป็นมหาสติมิสติกรรมรู้ตัณหาสัจธวรมตัณหา อาศัยรูปเกิดตัณหาเกิดที่รูปตัณหาเกิดที่ตาดับที่ตามีสติระลึกรู้ตาเห็นรูปจักตวรู้่งรู้ว่าตาเห็นรูปไม่ตัณหามันโลภคลั่งถ้าตัณหามันโลภคลั่งเห็นรูปวัดยินดียินร้ายเป็นเวทนา เ, เป็นเวทนาหรือจะเป็นนกคิดทางสัญญาเป็นสัญญา เป็นสัญเจตนารกระดดกระิกพลิกแพลไปเกี่ยวกับกิริยาการของจิตยังไงเป็นตัณหาเท่านั้นเป็นวิตกเป็นวิจารณ์เป็นเรื่องของตัณหาท่า น, นวิตกคือความตรึกตึกนึกคิดข้างในใจหัวใจของเราวิจารคือตรองประคองไปยังไงก็ตามแต่ถึง่มตัณหาอยู่ในจิตตรงนั้นแล้วเป็นเรื่องของตัณหามันไปเสริมสมุทัยทั้งนั้นนี่เหตุของก่อทุกข์กเราไม่รู้ เรารู้แต่ว่าทุกทุกๆุกทมันเกิดจากอะไรน้อมเกิดจากอะไรนาะทุกเกิดขึ้นมาแล้วเราไปรู้แต่ตัวทุกตัวเหตุให้เกิดทุกเราไม่รู้เราไม่ทันมันเราไม่ทันมันเพราะเราไม่ทันมันด้วยเหตุที่เราหลงเราโมหะแล้วก็ไปฆ่าไปเดาโอ้อันนั้นทำอันนี้ทำพระสุขเข้าพระเสาแทรกอ้าวว่าก็ไปแล้วว่าหอดพระสุขพระเสาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ อืพ น, นั่งโชว์โอ้อันนี้เคราะเคราะดีเคราะหร้ายเข้ามาเนี่ยอะไรคือเคราะก็ไม่รู้ถามไปรู้สิเคราะหมันคืออะไรไม่รู้เรื่องอือุบาทอุบา ท, อ, บาทอุบาทเกิดขึ้นแล้วอะไรคืออุบาทไม่รู้เรื่องถเราไปหาตัวอุบาทเนี่ยแต่กันซะก่อนอุบาทเห็นไหมเคยได้ยินนิทานเรื่องอุบาทไหม เถียงกันเรื่องอุบาทอไอ้น้ออุบาทถามนู่นถามนี่ถามไปทำไมาถามไปถึงฤาษีดาบหมดเอ๊เราจะแก้คนนี้ยังไงน้อให้หาบังไม้ไผ่มาหาบังไม้ไผ่มาตัวอุบาทหาบังไม้ไผ่มาพอหาบังไม้ไผ่มาก็เอาชานมาใส่ลงไปในนั่นปิดรูให้ดีจะให้เห็นนิดนี้ นี่เอาตัวบาตรไปให้ดูเอาไปให้ประชาชนนะฤาษีเอาตัวบาทให้คนนี้ดูไหนๆตัวบาน่รคนนี้โอ้ตัวมันอย่างนี้คนนั้นดูไปอีกอย่างหนึ่งพลิกแพลงดูโอ้ตัวมันอย่างนี้ตัวบาตรข้างในคือชั้นมา ฮะโอ้กว่จะได้ลงเอวยกัน่ะตีกันนะ่ะเถียงกั น, กนทะเลาะ ก, กันเฮ้ยตัวมันยังงี้ไอ้ก็น่ากตัวมันยังงั้นข้าคือฉาบมาดันรู้ไว้เลือสีเล่นแหละเลือดสีเล่นตลกกับพวกนี้แหละเนี่ยนะฮะลงเอวยกันไม่ได้อะไรคือฉาบมาไปเคาะดูโอ้ ชาญมากหนึ่งความไม่ลงรอยกันนั่นแหละนั่นแหละคือตัวอุบาทรู้อย่ากไหมนะฮะนั่นคือตัวบาทอะไรคืออุบาทก็ไม่รู้มันก็ว่ากันไปตั้งคนทั้งเดาเข้าไปเออนั่นนั่นคําว่าตัวบาตนี่แหละคือตัวเหตุอะไเกิดทุกข์ก่อทุกข์กขอ่กอโทษก่อเวรก่อภัยกับมโนใจของมนุษย์ของสัตว์ ว่าไปสารพัดไปโอ้อั น, นุ้นพอเวลามีโทษมาถึงตัวมนุษย์เราเนี่ยมีปกติกลัวภยัยกลัวภยัยพอกลัวภัยแล้วก็โอ้อันนั้นจะขฆ่าดาวว่าอันนั้นจะเล่นงานอันนี้จะเล่นงานผีตัวนั้นมาเข้าสเสนียตัวนั้นมาเข้าอะไรคือสเสนียน์ไม่รู้เรื่องอีจันไรอะไรคือจันไรก็ไม่รู้เรื่องนี้ ตัวเสนียดนี่แหละตัวเสนียดตัวออบาดนี่แหลอะอะตัวเสเนียดเอออะไรเนะาะเสนียดนี่มาดูโอ้นี่ชานมากตัวบาดนี่ตัวชานมานี่ตัวบาตไม่รู้เรื่องอ่ากว่าจะรู้ว่าชานมากกว่าจะรู้ว่าเป็นตัวเสนียดคืออะไรโตเถียงกันตีกันจะเป็นจะตายก็จะรู้เรื่องนี่มนุษย์ก็ต่างคนต่าง่าตต่างเดานี่คือไม่รู้สัจธรรม คือไม่รู้จักเรื่องจริงของจริงคืออะไรไอ้จริงที่มนุษย์มันมองไม่เห็นชัดนั่นแหละอันเนี้ยมนุษย์ชอบออกมาเทียงเห็นลำรีลาไรรีตัวบานรตัวเสนียดคืออะไรที่แท้จริงไม่รู้โอ้ตัวมันนี้ตัวเสนียดเฮ้ยตัวนู้นตัวมันสันชนโอ้ตัวมันยาวยาวตัวมันปลอมลอมโอ้ดท่ปอมปลอมเฮ้ยไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ เพราะทุกคนมีทิฏฐิมันต้องดึงเข้าไปหาตัวใช่ไหมดึงไปดึงมากะเถียงกันสลักกันตีกันวงแตกซะก่อนแหละคอยจะรู้ว่าตัวเสเนียรคืออะไรคือชานมานนี่รเราเถอะมนุษย์คืออะไรคืออวิชฌาโมหะความมืดบอดในหัวใจไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรสัจธรรมคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยเหตุที่มันไม่อยอมรับมันก็ว่าไปสารพัดแหละ มนุษย์ต้องแก่มนุษย์ต้องเจ็บมนุษย์ต้องตายไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายมนุษย์ไม่ยอมพราะมีความแก่เข้ามาหาตัวทุกแล้วไปแก้ยังไงเนาะจะหายทุกขความเจ็บเข้ามาหนึ่งไปแก้แล้วแก้ยังไงคนทุกข์เนาะ โอ้ความตายจะมาถึงนี่นะคนนี้จะตายภายในเจ็วันเนี่ยจะทําไงจะแก้ยังไงถ้าเป็นอินเดียก็โ อ, ตอนะาา้ต้องไปบูชายัญแล้วนี่พรามต้องไปบูชายัญและคนนี้จะตายคนนี้จะตายแล้วเนะี่ยต้องไปเอาสัตว์มาบูชายันตายแทนเราโน่น เ, เอาสัตว์สัตว์มาบูชายัญ อย่างสิบอย่างละสิบหรือมากระอย่างละร้อยอย่างละร้อ ย, ยิงประราชาแก้ดูแล้วนี่ยิ่งแก้ได้มากอช้างร้อยตัวม้าร้อยตัววัวร้อยตัวอควายร้อยตัวทาสีร้อยตัวทาสารเอาคนไปบูชายัญซะอีกนะนู่นที่ให้เขาไปให้เขาไปตายแทนเพื่อเจ้าของจะไม่ได้ตายว่างั้นเถอะนี่คือธรรมเนียมบูชายัญของพระ ลูกก็ตายตายเกล่อนอันนี้ก็เข้าพุงของใครอ่ะไท่นี้เข้าพุงใครอะไรท่านี้นะเข้าพุงใครเครื่องบวงสว ง, งเครื่องสังเวยทั้งหลายทั้งปวงเนข้าพุงใครก็ไม่รู้ <S <S ไปแก่นั่นเองแล้วข้อเท็จจริงเป็นไงก็ส่งก็เดาก็ว่ากันไปไอ้คนที่คนที่พาทําเพราะได้ทํำไปแล้วโอ้รู้สึกเบาสบายเนี่ยหายห่วงแล้วโอ้ เอาคราะเอาโศกเอาภัยออกไปจากตัวเราแล้วคืออะไรโดนต้มโดนต้มโดนเขาต้มกรรมของใครของมันใครทำไว้คนนั้นจะต้องได้รับกรรมโทษของใครใครทำไว้คนน้นจะต้องได้รับโทษใจดวงนี้มันไปหาสร้างกรรมเอาไว้สร้างเวรเอาไว้สร้างภัยเอาไว้แต่มันไม่ยอมรับมันจะรับแต่สิ่งที่ดีงามที่มันชอบใจ ชอบแต่อย่างงั้นชอบแต่ย่างงี้มันก็ว่าเอาไปมันไปเกิดทำบาปหาบกรรมสารพัดมากมายมันไม่ยอมรับเพราะเวลาโทษเหล่านั้นจะมาถึงตนบูชาแทนอสักไปตายแทนพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสว่าพวกคนโงม่เนี่ยเวลาโทษมาถึงตนให้คนอื่นมาตายแทนนะ กรรมมันกรรมของไข่ไม่ใช่กรรมของสัตว์นะทําไมเราต้องเอาสัตว์มาฆ่าฆ่าแล้วมันจะหายนะเพราะสัตว์มันไม่ได้ทํากรรมมันรู้เรื่องภาษีภาษาอะไรตาปิดๆนะกรรมมันให้ผลไข่ก็ให้ผลจิตดวงนั้นแหะจิตดวงนั้นมันอยู่ตรงไหนก็ตามไปเล่นงานกรรมกรรมก็ตามไปเล่นงานมันเล่นงานจิตยังไม่ได้มันก็ไปเล่นงานกายเสก่อนให้กายเจ็บให้ได้กาย เก็บไข้ได้ป่วยให้กลายเป็นอย่งางนั้นให้กลายวิกลวิการปันเป็นอย่งางนั้นเป็นนี้ไปไปทุกได้โทษมากน้อยตามที่มีทุกตามที่มีโทษแต่ถ้าคนศึกษาธรรมแล้วจะเป็นคนที่รู้รอบขอบชิดจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นพอเราไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นทุกโทษที่จะมาทับถมหัวใจมันก็จะเบาไปบางไปรู้โอ้อทุกอย่างเกิดจากเหตุอธิษฐานถึงกรรม กรรมใดที่เราเคยมีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีกรรมกับเรื่องนั้นกับเรื่องนั้นกับเรื่องนั้นเอาจัดการซะเลยให้มันจัดการซะเลยถึงคราวตายเอาให้มันเอาไปเลยแต่ถ้าหากไม่ใช่นะอยังไม่ยกกรรมเหล่านั้นคอยเบาไปคอยบางไปอธิษฐานอธิษฐานถึงกรรมตรัวเองแต่เราเคยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้น ขอให้อโหสิกรรมขอให้กรรมของเรารเบาไปบ้านไปถ้าถึงขั้นเด็ดขาดมาเอาถึงกับทั่งชีวิตของเราถ้าเป็นกรรมแท้ๆเอาไปเลยมอบให้มันเอาไปเลยเอาไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ให้ถอยให้เว้นให้หลีให้เวน้ใใเวนให้กับเราให้ถอยให้กับเรานี่หมายความว่าเราอโหสิกรรมยอมรับกรรมนี่คือคนเด็ดคนขาดคนจริง ยอมรับกรรมแต่นั้นนเมื่อเราทำํำไปแล้วขอให้กรรมนี้ทําให้สะสมเถอะในเมื่อเราไปมีกรรมกับเรื่องนั้นกับเรื่องนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้เอาเลยเอาเลยเอาให้สะสมเลยจะนั่งดูคอยดูตายนั่งดูตายเอาให้สะสมไปเลยยอมรับนี่คือคนมีธรรมยอมตามตามสัจจ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้น มันต้องไปทุกไปเดือดไปร้อนเดินเข้าอย่างอาหารเลยไม่ต้องกลัวมันกลัวทําไมหรือเมื่อเราไปทําทําไมเราละทำเราทําไปแล้วหากเราเคยทํากับหนักหนาสาหัสกับอะไรกับอะไรอ่ะถ้ า, ามันจะให้โทษเราเอาเลยแต่หลังจากเอาแล้วเนี่ยให้หมดเว้นหมดภยัยให้หมดกรรมกันนะให้หมดกันแต่ถ้าไม่ใช่ให้ถอยให้รีให้เราให้เว้นให้เราอธิษฐาน อธิษฐานถึงสัจจสัจจที่เคยเกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเผื่อไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมกับสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นเราก็จะเบาเราก็จะบรรเทาเราก็จะคลี่คลายไปแต่ในขณะเดียวกันต้องทำความดีตลอดเพราะความดีนี้มันเป็นการสร้างพลังให้กับใจของเราท่านบอกว่าเหมือนกับเนื้อเนื้อที่มีกำลังเนื้อที่มีกำลังวิ่งย่อมทิ้ง ทิ้งกําลังของสุนัขสุนัขมันไล่ตามเนื้ อ, อไล่ไปไล่ไปไล่ไปเอา้ากําลังสู้เนื้อไม่ได้โดดยงยงย ง, ยงห่างไปเลยห่างไปเลยห่างไปเลยห่างไปเลยคนที่สร้างความดีเพิ่มขึ้นให้กับจิตของตัวเองเหมือนกับเนื้อที่มีกําลังมีพลังความดีอะไรจะเท่ากับความดีพลังของศีลของสมาธิของปัญญาไม่มี มันมีพลังอะไรที่จะมีกําลังเท่ากับพลังของศีลของสมาธิของปัญญาไม่มีเพราะฉะเราเจริญศีลอยแล้วอย่าไปกลัวเจริญสมาธิอยู่แล้วอย จ, จ, จะไปกลัวกรรมเอาเลยาอาหารเดินใสมันเลยเอามาเลยเอามันเลยมึงเอาเลยถ้ากูเคยทำอย่างนี้อย่างนี้เอาให้สะใจให้สมใจเลยถ้าไม่ใช่ให้รีให้เราให้เว้นให้เราเราก็ทําบุญเจิญเมตตาแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญให้เขาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้เขาเขาก็จะรับเขาก็จะเห็นเขาก็จะผ่อนเขาก็จะคลายทาไมคลายของเอาไปเลยไม่ต้องกลัวมันนะ่ะเดินใส่ยังอาหารเยไม่ต้องกลัวเราทําทําไมเราทําได้อที่เราจะรับผลตามที่เขาจะมาสนองเราทําไมเราจะรับไม่ได้เอาให้สะสมไปเลยอืม ไอ้เรื่องของโทษของกรรมที่ตามมามีมันหากมีมันหากเป็นมันเรื่องของกรรมเท่านั้นแหละไอเราไม่รู้คิดว่ากรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มืดหนาะสาหัสดํดาทะมึนทึงเดิมตาเดินตามหลังเราไม่ใช่จริงอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่ที่จะเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นสดๆ ด, ดร้อนๆ้อนเนี่ยเรามักจะ มองข้ามเรามักจะมองข้ามเดินเดินไปนหกล้มองเงี้ยเอา้าก็กำเราระวังไม่ดีอะ่ะตาเราไม่ดีไปเตะไปสะดุดหรือไปถไลยลื่นเนี่ยหกล้มเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราขาดความระมัดรวะวังตื่นไหลลงไป <c oughs> เป็นเห็นให้เราต้องเอามือเอาแขนเอาอะไรไปยัน เป็นเหตุให้หัวร่างข้างแตกได้อ่าถาลายลื่นลงไปมันเกิดขึ้นตอนนั้นอะ่ะเกิดขึ้นจากการขาดเจตนาบางทีก็ทั้งทั้งที่เราระมัดระวงะังน่ะรู้รู้อยู่มันถาลายลื่นลงไปเอาไม่อยู่มันลื่ น, นถาลายเอาไม่อยู่ถึงขั้นหัวค้างรางแตกอ่ากระดูกก็ดีอะหักเหมือนที่เขามาตกเข้าททลามเอาก็สอบไปยังจน จนข้อสอบหลุดนะนั่นนะจนข้อสอบมันไม่หลุดจากกันบวมเป่งก็นั่นคืออะไรก็คือกรรมใหม่ก็เราเซ่อซาซะเองเราไปตกอ่ามันเป็นอย่างงั้นแต่เราไปดูแต่กรรมเกา่ากรรมเกา่กเกาบางอย่างก็ใช่แต่บางอย่างมันไม่ใช่มันมีทั้งกรรมเกา่ามันมีทั้งกรรมใหม่เราก็ดูไปที่กรรมกรรมใหม่กรรมใหม่ก็เราเซ่อซาซะเอง ไปโดนใะเองครับไปทะลื่นลื่นทะไหลลื่นใะเองแล้วก็โดนไปเรื่องร่างกายเก็บแค่ไดป่วยบางคนก็มีโรคโน้นโรคนี้ติดเนื้อติดตัวความดันเบาหวานสารพัดเนี่ยมันก็ตามเล่นงานกายของเราตลอดทุกอย่างวันดีคืนดีมันก็มาอุดมันก็มาตันอุดตันหัวใจทำงานไม่สะดวก อุดมาตันบางทีก็สมองแตกเลือดแตกเส้นเลือดแตกในสมองเนี้ยอถึงขั้นรุนแรงจริงๆเอาไม่อยู่อา้าวมันก็แง๊งแง๊ตายตอนนั้นเลยเอาไม่อยู่เอาไม่ทันนี่คืออะไร<ม>ก็คือปัจจุบันเราจะไปว่า ก, กรรมอะไรก็กรรมปัจจุบันเนี่ยมันเล่นงานเรา เราต้องดูเล่เราต้องรักษาเพราะร่างกายนี้มันไม่รู้อะไรเท่าไหร่เราอัดเข้าไปทุะวันทละวั น, วนอาหารหวานเค้าอะไรที่แซบ่บแซบ่ที่สุดเราก็ไปวิ่งหาร้านนั้นแหะอะไรที่แซบ่บที่สุดก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปความดังเบาหวานไขมันอุดตันเนี่ยเต็มไปหมดต้องดูต้องรักษาต้องรประคับประคองบางทีมันไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่ามันเป็นเรื่องของกรรมใหม่นี่แหละแต่เราไม่ค่อยจะดูกัน เราไม่ค่อยจะรู้กันพอเวลามันเป็นขึ้นมาเราพยายามมองแล้วโอ้อะไรทำเนาะโอ้ผิดรีดอ๋อผิดคลองอ๋อผิดผิดแนวผิดแถวผิดขนมผิดธรรมเนียมผิดประเพณีเป็นอัปมงคลเล่นงานใชแล้วเสนียดโอ้เจอเสนียดแล้วเสนียดเล่นงานเราแล้วโอ้เจอข้ออุบาติข้ออุบัติเล่นงานคิดจารพัดก็จิตมันกลัว พะมันมีเหตุเพศภัยมาละคิดนึกสารพัดในมนุษย์เรานะ่คิดไปคิดมาก็มันไม่ไมพ้นมาพันหัวตัวเองคิดแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาทุกข์มันก็เพิ่มอ่าดูไปที่เหตุปัจจุบันคืออะไรโอ้ใช่ระบบกล้องแล้วถลายลื่นถลายล้มอ่าโอ้เราขาดการไปเช็คไปตรวจความดันเบาหวานเนี่ยก็มีได้านก็เปลี่ยนได้ โอ้หัวใจเรามันขึ้นขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นเราขาดไปเช็คเราขาดไปตรวจเราก็ดูดูไปที่ตรงนี้แล้วมันจะไม่พาเรานึกเราคิดมากพิจารณาเกิดความเป็นธรรมเกิดความชอบธรรมขึ้นมาความทุกข์มันจะไม่ทับถมหัวใจเพราะอะไรเราไปยึดเป็นนู้นเราก็ยึดยึดผิดเป็นนี้เราก็ยึดยึดผิดโอ้อนุู้นอย่าอันนี้อย่าทำโอ้ผิดรีดโอ้ผิดคลองโอ้เสเนียนโอ้จันไรโ อ, อ้บาศ โอผิดขนบผิดธรรมเนียมผิดประเพณีทุกซื่อทุกใจทุกใจเพราะอะไก็เพราะตันหามพายืดยืดผิดอุปาทานตันหาอุปาทา น, นมันพายึดผิดเสร็จแล้วก็พาไปดําเนินผิดไปถือผิดไปทําผิดไปแก้ผิดยิ่งแก้ก็เท่ากับยิ่งมัดยิ่งแก้ก็เท่ากับเท่ากับยิ่งมัด แต่ทางหัวใจที่เป็นธรรมแล้วอาจหานเดินเข้าหาอย่างสงา่าเดินเข้าหาอย่างสงา่ายอมมอบให้กับเรื่องกรรมอ้กายกรรมเราเคยทํามาเอาเลยเอาแล้วเล ย, เเลยวยจีกรรมเราเคยทํามาเอาเลยเอาเลยทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งกิรยิยาการที่เร า, าเล่นเล้อ ขาการสรํารวจและมัตตาวังมันถลายลื่นหกล้มเ ป, นนลเป็นนู่นเป็นนี้เราก็ยอมรับไปยอมรับไปแล้วก็จบจบถึงข้าวเป็นข้าวตายเอาตายเลยอาถารให้กับมันแต่อย่าไปคาดอย่าไปเดาในสังในสิ่งที่ผิดที่พลาดที่เสียหายครอบครัวที่มีธรรมครอบครัวที่ใจแข็งสามารถเดินได้แก้ไขอย่างอาถรรพ์ ไม่ต้องสะทกสถานไม่ต้องหวั่นไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวดูตรงนี้เพราะอะไรตั้งหามันมีรูที่จะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราพรุนไปหมดเลยแหละแล้วจะวาอะไรละ่ะถึงคราวที่มันเป็นมาทีคนหนึ่งเป็นเช้ามาอีกเย็นเอ้าคนหนึ่งเป็นอีกแล้วก็มันเป็นอ่ะมันเป็นไลระยะกลกันได้ระยะใ ก, กล้ๆมันก็เป็นได้เออ ทำไมอันนั้นไปแล้วทำไมอันนี้ไปอีกอันนั้นไปแล้วอันนี้ไปอีกยิ่งไปถือไปถือเพียรเด็โอ้เสียเหตุเล่นงานอีกแล้วโอ้อุบาทเล่นงานแล้วขีดแป้วใจทุกใจอีกแล้วนะครอบครัวที่เป็นธรรมไม่เป็นอย่างนั้นมองดูเหตุอะไรคือเหตุดูไปที่ตรงนั้นดูไปที่เหตุแล้วก็จบอ๋อเป็นงนี้แล้วก็จบอ๋อดูเป็นอย่างนั้นแล้วก็จบ จะไปคิดว่าอันจะทําอันนี้จะทําผีทําเปรตทําอะไรผีก็กรรมของผีเปรตก็กรรมของเปรตเราก็กรรมของเรากรรมของไข่ของมันแต่เราจะไปดูแต่กรรมเก่าที่เรามองไม่เห็นดูกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสุขภาพเราอยู่เดียอยยู่เ็นเป็นสุขไหมไปตรวจไปตราไหมความดันเบาหวานเจ็บไข้ได้ป่วยไข่งไข่มันมาอุดตันเนี่ยเราดูไปสิ นี่คือกรรมปัจจุบันเราไปดูวนนี้แล้วก็โยนให้กับมันแก้ไขไปอ่าถ้าเราเคยมีเวรมีภัยจะตายด้วยกรรมมันนี้ก็บขอให้ตายถ้าไม่ตายขอให้มันหายดูไปให้เห็นอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นมาทําสิ่งนี้มาทําเราไปโทษในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราจะแก้ได้ยังไงโทษในสิ่งที่เราตามอ ม, ตามองไม่เห็นะตาเรามองไม่เห็นแล้วเอาอะไรมาแก้หมดปัญญาที่จะแก้ ดูไปสิ่งที่เรามองเห็นด้วยเหตุด้วยปัจจัยนั่แหละเหตุผลอยู่เฉพาะหน้านี่แหละทุกอย่างเกิดจากเหตุเสียงอด อ, ดอดแอดออดแอดโอ้เปรเดมาแล้วเ <laughs> มื่อกันเดาไปเดาไปทั่ทิบทั่วแดนน่ะกลัวจะเป็นจะตายอย่างนั้นอะ่ะออกไปดูที่ไหนได้โอ้ง า, มาไม้ไผ่มันล้มมาใส่หลังคากตฏิมันถูกล้มมันก็อดอดแอดออดแอด <laughs> เออนี่มนุษย์นี่กลัวแล้วก็หาที่พึ่งหาที่พึ่งผิดผิดถูกถูกพระทีเจ้าพระธรรมประสงค์ท่านให้เราเป็นที่พึ่งอยู่แล้วพุทธังสรานิชามิพุทธังธรรมังสังขังสอนให้เราโง่ที่ไหนสอนให้เราฉลาดอะไรคือเหตุอะไรคือผลก็ดูไปที่ผลแล้วก็หาดูไปที่เหตุของมันอะไรคือผลสาวไปหาเหตุอะไรคือผลสาวไปหาเหตุ เจอเหตุแล้วแก้ที่เหตุแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็เอาหมออให้มันเลยโอ้มาเร็งเล่นงานแล้วโอ้โอ้ถึงคราวเราแล้วหนอะเออใช่แล้วเราจะได้ตายสักที <c oughs> มะเร็งมันตามทันแล้วมันเอาแล้วหม้อให้มันเลยอามึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยไม่ต้องกลัวเนี่ยเดินใส่มันอย่างสง่างามอย่างอ่านหารกลัวมันทําไมอ่คนที่ไม่เป็นมาเร็งก็ตาย คนนอนบนภ า, าษาธาตชวังนอนบนเตียงทองคําก็ตายอยู่บนเตียงทองคํานึ่งมีใครพ้นไปสักคนไม่มีไปเหมือนกันทั้งหมดน่ะคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนทุกข์ก็ตายคนสุขก็ตายคนเลวหยาบชาทารุนก็ตายคนละเอียดประนีตรปราดปราดบัณฑิตอันตพานคนผ่านตายด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครพ้นจากภาวะของความตายกปได้เพราะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะตายจะไปกลัวอะไรกับมันอยู่ ก, กับสิ่งที่ไม่ตายจิตใจไม่ตายรักษาตัวนี้ให้ดีอหมันสว่างโร่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ใจมันสว่างโร่จะไปกลัวตายอะไรกับมันดูไว้มันเห็นมันตายมันตายต่อหน้าต่อ ต, อตานั่นกลัวมันทําไมอาจหารกับมันซะเลย กล้าเผชิญหน้ากับความจริงนาความจริงเท่านั้นแหละที่จะปรากฏเฉพาะหน้าเราความหลอกความปลอมดูให้เห็นมันจะไม่หลอกมันจะไม่ปลอมจิตของเราหลอกเราเองดูให้เห็นถ้าเราไม่ดูไม่เห็นโดนหลอกทุกระยะทุกวทิทุกวันทุกจิตยาอาการยืนเดินนั่งนอนสัญญาอารมณ์ลอกเราทุกระยะทุกเวลาดูให้เห็นชัด มีศีลมีธรรมมีใจกล้าแข็งพอเป็นเป็นผู้แข็งด้วยศีลเป็นผู้แข็งด้วยธรรมมีปัญญารักษาตัวเองอย่าไปโมเมเมาให้สิ่นั้นเมาให้สิ่งนี้ว่าสุ่มๆเดาๆเอาทุกมาทับหัวใจแล้วเคยได้ฟังไหมเนนอ่ะเนนปวดท้องเนเนปวดท้อง เนนปวดท้องไปหาคนหนึ่งคนมักเล่นเฮ้ยเนนอ่าอ่ามดลูกเนนอักเสบแล้วตายแล้วโอ้ยยิ่งปวดนะก็ไปเนนโอ้ยเนนมดลูกเนนอักเสบแล้วโอ้มาดาเนี่ยต้องแก่ยิ่งปวดติ้วติ้วก็ไปเนนมีมดลูก ดูให้ดีดนี่ะทานนองไข่นาะเราเคยดูขาจะตายไปพอไปเจอคนมีปัญญาเอ้เนนเนเนผู้ชายนะเนนะเนนผู้ชายมันไม่มีมลูกเนนจะไปปวดมลูกได้ยังไงเขาบอกว่าไม่มีมรเท่านั้นเลยเนนหายปวดทันทีเห็นไหมรู้จักไหมอุปาทานอ่ามันพร้อมที่จะเป็นมันพร้อมที่จะตายนะ เขาไปตรวจเช็คเจอโอ้ยเป็นมะเร็งโอ้ยพอเราได้ยินเสียงมะเร็งนั้นแหะใจอ่อนหมดให้อัตายจะตายให้ได้เลยขเลออขาบอกว่าเป็นมะเร็งอะปใจอ่อนใช่ไหมใจอ่อนเขาบอกเป็นมะเร็งจะตายให้ได้เลยนะโอ้ยอ่อนใจอ่อนหมดเรียกหมดแ ร, รงหมดกำลังแหละยุบลงยุบลงยุบลงหลวงปูง่เขียนนั่นเคยเล่าให้ฟังเขาจับนักโทษได้ เขาจับนักโทษได้จับนักโทษได้เขาก็มัดตามัดตาเขาบอกคนเราเนี่ยถ้าหากเลือดมันออกหมดจากร่างกายแล้วมันจะตายตายเลยเลือดวอดี้เขาจับได้เขาก็เอานามาใสา่ถุงพลาสติกเขาก็เจาะรูให้มันหยดติ้งติ้งติ้งติ้ ง, งเขาก็มัดตาเด้มองไม่เห็นเด้ เขาก็ทําท่าเป็นไปปาดเนื้อเนี่ยให้เลือดมันหยดติ็งอันนี้ก็ได้ยินเสียงหยดน้ํามันหยดเขาทดลองดูอุปฐานของคนมันรุนแรงอ่ะอัน้ําไปปาดออกถุงพลาสติกน่ะน้ํามันหยดเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเลือดหยดเลือดหยดหมดก็จะตายแ้วไม่อยู่แล้วโอ้ยเลือดเราหมดไปเยอะแล้วเขาปิดตาเนี่ยมองไม่เห็นอุปทานมันเยอด มันคิดว่าเลือดมันหยดเขาทำท่ามันปาดเฉยๆอ่ออะเขาไม่ได้ปาดจริงจังอะไรแต่ในขนะเดียวกันเขาก็เปิดถุงพลาสติกให้น้ำหยดติงตงต้งติงติงโอ้ตายแลกูตายแลกูตายแลกูตายแลกูตายแ ล, ก, ยลกูตายเลยนะอุปาทานมันปาดหยดจนตาย <c oughs> มันคิดว่าเป็นเลือดจริงๆเขาหลอกเขาหลอกอ่ะนี่เห็นบนริ้อุปาทานทองคนนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดนั้นนะ เพราะฉะนั้นเราไปยึดผิดนะตายกับตัณหากับอุปาธามันพายึดผิดนะทุบไปกับมันนั่นแหละปัญญาดูให้เห็นข้อเท็จจริงสมุทยัยสมุทยเหตุให้เกิดทุกข์ดูเข้าไปดูไปที่ใจใจของเรามันรอทุกระยะทุกเวลาทุกยิ่าการของมันดูให้เห็นเถอดนะดูเห็น เขาขังคนยามหนาวเขาขังคนขังคนเอาไว้ขังคนไว้กลางหนาวเนี่ยเพื是是่อที่จะเอาให้ตายเนี่ยขังคนไว้บางเอื้นคนนี้มันเห็นไฟเห็นเไฟมันก็เพ่งไฟโอ้ไฟมันมีความอบอุ่นดูไฟเอาไฟเป็นอารมณ์ในที่สุดมันก็อยู่ได้มันไม่หนาวตายเพราะอะไร มันยึดมั่นให้ไฟมันเห็นไฟเห็นไฟสงสว่างๆอ้ปกติไฟมันต้องร้อนมันต้องอุ่นเอาไฟเป็นอารมณ์แทนที่มันจะหนาวตายมันไม่หนาวตายแน่อันนี้คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาเอาไฟมาเป็นอารมณ์เนี่ยในสุดไม่ตายเนี่ยมีมันมีทั้งหลอกตายมันมีทั้งมันมีทั้งส่วนมากมันจะตายเพราะกิเลสนะกิเลสมันพาพาทุกข์ ก็ดูที่นางคนตายจราที่เราไดฟังนะทุกข์เทไรทุกข์เระยึดยึดโอ้ยพ่อกูพ่กูทําไมมันไม่อยู่ล่ะทําไมตายไปแล้วโอ้ยลูกกูลูกกูลูกกูทําไมมันไม่อยู่ตายไปแล้วโอ้พ่อกูโอ้แม่กูพ่อกูแม่กูทําไมไม่อยู่ตายไปแล้วอะไรของกูอะไรของกูงกแล้วอะไรมันอยู่สักอย่างนี่เขาเรียกว่าตัณหาอุปาทาน ความทุกข์เรานะ่ยขอไม่ควรจะทุกข์เราก็ไปยืดยืดจนทุกข์ก็ดูไปสิเจ็บก็ดูปวดก็ดูทุกข์ก็ดูอะไรก็ดูดูหาของจริงดูเอาของจริงดูเอาเรื่องจริงดูเพื่อขี้คลายคอยเห็นของจริงเถอะคอยเห็นของจริงเราดูอย่างนี้เราเกิดปัญญาเราเกิดปัญญาร่างกายทุกข์ มันต้องแก่อยู่แล้วมันต้องเจ็บอยู่แล้วมันต้องตายอยู่แล้วมันม่อยู่เราไม่อยู่กับมันเราอยู่กับผู้ไม่ตายใจผู้ไม่ตายสติปัญญาเป็นผู้ไม่ตายเราอยู่กับผู้นี้ได้ปัญญาเดินเข้าสู่ความตายเดินเข้าหาความตายอย่างอาถารต้องกลัวอะไรกับมันครอบครัวบางคนก็โอ้ยทุกอดทุกทนอ่า เป็นอะไรก่อกรธแต่กองทุกข์กองโทษแต่ถ้าคนคิดถึงแต่เรื่องกองทุกข์ก็โอ้ทุกข์แล้วเกินทุกข์แล้วเกินไม่มีใครทุกข์เท่าเราไม่มีใครทุกข์เท่าเราคนในโลกนี้ที่เขาทุกข์มากกว่าเรามากมายเยอะแยะออ่าืมทุกข์กว่าเรามากมายเยอะแยะเรามีความทุกข์แค่นี้ดูไปไม่ให้มันทุกข์มากอืมดูตีนั่งประตายาก็แล้วกัน่ะนะ พอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าพระรองพูดให้กับติดทั้งมหสติมีสติฟื้นขึ้นมาโอ้ความจริงเริ่มปรากฏความจริงเริ่มปรากฏพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะเท่านั้น่ะพอสัจจะเริ่มปรากฏสิ่งเหล่านั้นก็เลื่อนจางไปจางไปจางไปจางไปในสุดได้บรรลุธรรมเห็นไหมได้บรรลุธรรมแต่ถ้าปล่อยให้จิตกับตัวเองจิตของตัวเองโลกิเลสหลอกหลอกหลอกบ้าเลยเหไหม หลอกจนบ้ามันรู้จักมันไหมมันหลอกจนบ้าเรามีปัญญาฝึกฝนอบรมทำบุญให้ทานทุกอย่างอธิษฐานตายถ้าใครจะมีเวรมีภัยกับมันคอยตายคอยตายคอยตายถ้าไม่มีคอยผ่อนคอยคลายคอยหายแล้วก็อธิษฐานอ่านี้ แต่ยังไงเราจะต้องตายตายตายตายภาวนาดูตายให้เจ้าของนอนตายอ้าปากค้างอนู่ดูเห็นอย่างงั้นไม่ต้องกลัวมันกลัวมันทําไมมัจจุมานมัจจุมานเกิดพบไหนชาติไห น, นก็ต้องตายเพราะความตายมันมากับความเกิดเราไม่อยากตายเ ร, เราเราอยากไปเกิดสิไม่อยากตายก็อยากไปเกิดเราไม่อยากเกิดก็เราก็อยากไปตายสิ พระอาหารหันต์ท่านไม่ตายไม่ตาย ท, ทั้งที่มีชีวิตอยู่เน่ยท่านไม่ตายในเมื่อท่านไม่ตายแล้วท่านก็ไม่เกิดดูให้เห็นความไม่ตายดูให้เห็นความไม่ตายตัวสติตัวปัญญาไม่เห็นมีอะไรตายร่างกายตายท่าดินเสือเส่อมไปท่าน้ำา่าลมท่าไฟเสื่อมไปอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกกันไปสลายกันไปรูปประทับกับรูปประทับกับ อรูปธรรมอยู่ด้วยกันไม่ยับไม่ได้แยกกันไปสลายกันไปแยกแยกจนหมดจนหมดเราจนไม่มีเราไม่มีเราตายเหลือแต่ธรรมชาติมไม่มีอะไรตายไม่มีมมมมอะไรตายมอบไว้คืนตามหลักสักจจสัจธรรมมีอยู่งี้เป็นอยู่งี้มอบคืนให้กับมันจิตถ้าหากเราพยายามฝึกฝนอบรมให้ละเอียดมันก็ละเอียดได้ มันก็พ้ทุกได้พ้นโทษได้อพ้นทุกได้ผลโทษได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุกเกิดจากตัณหาจากอุปาทานยึดเอายึดเอาไอ้ตัวนี้แหละโดนหลอกให้ทุกทุกเปล่าเกิดประโยชน์อะไรตายเพราะทุกมันหลอกนี่แหละลองยันทุกเหมือนเรื่องที่เราให้ฟังสองสามตัวอย่างนั่นแหละวันนี้พอสมควรแก่เวลา ไปภาวนาต่ดอดูไว้ต่อดูว่เห็นอในภาษาอย่างนี้ครับดูนะตั้งใจนะกดนอนผ่อนอาหารตั้งใจภาวนาเอาให้เป็นให้ตายเอาไปเลยเอาตามความถนัดของไครของเรานั่งตายเลยทำไมถึงก็นั่งตายมันสู้มันไม่ได้เดอกมันเจ็บมันปวดมันทนไม่ได้ ตัานหาปลาทานมันรุนแรงเราไปทำหยะแยงเล่นกับมันไม่ได้โดยมันต้มโดนมันหลอกทุกข์กับมันอยู่ร่ำไปดูเห็เนดูชัดอ้าวเร่อ